มีกิริยาที่เกื้อกูลด้วยครับเช่นเดินไปช่วยหรือได้ข่าวเพื่อนบ้านไม่สบายเนี่ยที่จริงเรากลักรักเขาอยู่แล้วเมตตาเขาอยู่แล้วพอถ้ายินข่าวไม่สบายเดินไปครับสุมวันดึกดื่นคืนหนึ่งครับบ้านของเราอยู่ที่ริมถนนประมาณตีสองเศษเศษได้ยินเสียงรถคว่มโครมใหญ่เนี่ยแล้ตื่นขึ้นมาแล้ว เราจะทำไงดีครับเราจะคิดว่ามันเปไ็นไรเดี๋ยวตํารวจคงมาเราก็นอนต่อขึ้อย่างเรามักจะมีบทสรุปอะไรที่ที่ต่อให้เราเป็นคนดีมีแม่จ๋านะว่าแรงกรุณามันน้อยครับสมมติเราคิดม า, าเอ้ยนี่คนอาจจะกําลังล่อแล่นะถ้าเราโผล่ไปเนะี่ยอาจจะช่วยชีวิตทันสักคนหนึ่งก็ได้แต่เรามั่คิดว่าโอ้ยตู้ยาไอ้ป้อมตํารวจอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคงมาเอง นี่คือเหตุผลพนอตัวเองค ร, คราวหนึ่งผมเห็นควันลุกขโมงงนะเคยเล่าให้ฟังยังกันไม่รู้ครับผมเลยชวนเพื่อนพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเระจายไฟไม้บ้านคนวิ่งกันไปกระหืดคอพอไปถึงประกอบชาบ้านก็เผาไร่พระก็โกรธผมใหญ่ครัเขากี ผมก็เตือนผมว่าถ้าสมมติถ้าไฟไหม้บ้านจริงๆล่ะการมาของเราดีไหมแต่ว่าเนื่องจากไม่คุ้นกับสถานที่นั้นนชาวบ้านเผาไล่อยู่เรื่อยผมก็ใจไฟไหม้บ้านชาวบ้านวิ่งไปจีวรปลิวเลย <c oughs> จะจะช่วยเขาเราควรฝึกปรือตัวเราให้มีความคล่องตัวนะครับเมื่อเราเคลื่อนมือเนี่ยถ้าเรามีอุปสรรคในใจนะมันเคลื่อนยากครับ เจ้ตัวขี้เกียจขี่คลานะมันจับอยู่แถวซอกลักแร้หัวไหล่บ้านเองางา น, นเบื่อแต่พอเราคล่องตัวดีมนยกง่ายนิดเดียวครับมันจะลอยตัวขึ้นมามันปรากฏที่แขนได้ทันใดนะครับมันปรากฏที่ขาที่เท้าที่ใจได้ฉะ น, นั้นก็จะลุกขึ้นเดินเหินได้คล่องตอนนั้นเมื่อทำอย่างนี้ผมเห็นมาหลายคนนะเพราะปฏิบัติตัวนี้ดีมนะัน คล้ายๆมันมันลอยตัวได้ครับลอยตัวพ้นจากปัญหาซึ่งเคยหนักอึง้งน้ำจิตน้ำใจก็ดีขึ้นคนบางคนมีคนใจดีนะครับแต่ว่าเกียรตคลานที่จะเคลื่อนไหวเข้าใจไ้มครับดังนั้นจึงกลายเป็นเศรษฐีเงินกู้นอนตีพุงจริงนั้นการมีชีวิตที่ที่เคลื่อนไหวได้อย่างข้าคล่องนั้นดีกว่าแม้จะยากจนนะ ถ้เราปฏิบัติดีนะครับเราจะลุกเดินได้ง่ายแล้วบริสุทธ์บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ร้องทักผู้อื่นก่อนแสดงท่านไม่ถือตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากูเป็นพระเจ้ามึงต้องทักกูก่อนสิ่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นร้องทักผู้อื่นก่อนด้วยแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้อย่างคล่องแคล่วแสดงจิตใจท่านปลอดโปร่งบริสุทธิ์ใช่ไหมครับไม่มีเรื่องอะไรติดขัด พอฟังผมพูดเนี่จะลืมตัวทุกทีสังเกตไหมครับพอฟังรู้เรื่องนะก็ลืมเด็กตัวนี้ดังนั้นเราต้องปฏิบัติให้มากกว่าฟังครับแล้วถ้าใครไม่อยากฟังผมเนี่ยดีครับแต่ไปปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่อยากฟังผมแล้วไปหลับคนพอรู้สึกตัวมากไม่อยากฟังผมเคยเป็น พอปฏิบัติมากมแล้วไม่อยากฟังได้ยินได้ฟังท่อยครับแม้แต่ฟังทำก็ไม่อยากฟังเพราะความรู้สึกตัวนี่มันขึ้นมาครับแล้วมันเข้าไปอัดเต็มหูเต็มตาม่ไม่อยากได้ยินอะไรที่เป็นสมมุติมันเป็นช่วงหนึ่งเป็นปฏิกิริยาแต่พอไม่คลี่คลายได้ทีนี้ก็ฟังได้ครับฟังก็เหมือนก็ไม่ได้ฟังฟังเล่นๆไม่ต้องคิดตอบโต้ด้วยครับเพราะอันไหนจริงนั้น คนที่ปฏิบัติแล้วพอได้ยินนะนั่งรู้ว่านี่คนนี้พูดจากความจริงหรือคนนี้พูดเพราะคิดขึ้นเท่านั้นเองยังไม่ได้เห็นความจริงมันจะรู้ครับเอาหล่บลงประสานมือนไม่ต้องลอกก็ได้ครับรสามือแล้วใครสักคนเป็นหัวหน้าโอมครับ ใครที่เสียงชัดๆกล้าๆใครก็ได้ครับใครเป็นหัวหน้าครับอาจารย์หรือไม่ไม่ได้แต่งตั้งนะนั้นให้ท่านอาจารย์เลือกเลือกใครก็ได้ครับทีความมือหงายมือครับนั่นหละ ทำไมทำความรู้สึกให้ให้ศักดิ์สิทธิ์กั น, นครับคำว่ษษษษาศักดิ์สิทธิ์มันจริงไม่เล่ น, นครับ ไม่ได้อ๋อสีสมอนผมรู้จักสีสมอนคนเดียวเพราะเพราะว่าคำนับบ่อยเอาเลยตั้งใจขึ้นนะครับรู้สึกตัว โอหมไปไสีน oh, อันหลังไม่ต้องต่อห า, า, า, อางเครื่องใคล้ๆยิ่งยืดเสียงใหอยาเพราะว่าเราต้องการจะรู้จักที่สุดของเสียงคือควาเมเงียบ ขึ้นเหมือนกับตียอดเจรีย์ที่สามยอดสามขึ้นใช่ไหมผมจะขึ้นก่อนนะแล้วพร้อมพๆนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสาม เป็เป่งตามกำลังของปอดและน้ำเสียงจนสุดเสียงโดยไม่ต้องไม่ต้องรอใครทั้งนั้นใช่ไหมครับเริ่มตรงไหนสิ้นตรงไหนแล้วแต่คนทนี่เพื่อจะให้เข้าใจชัดคำว่าโอームนะครับที่จริงชื่อคานี้เป็นคําถือกันในภาษา ส, าสันสกฤตว่าเป็นอักษรแรกคือคำว่าโอームถือว่าเสียงแรกหรือคําคําแรกสุดที่มนุษย์เปล่งได้เสียงที่เปล่งได้คำว่าโอーム แต่ว่าแท่นทางของพุทธนะครับโอมเนี่ยอนุวัตมาจากอักษรสามตัวคืออะอุนมะจริงๆก็อุมหรืออุมแ ล, แล้วแผลงอุเป็นโอเป็นโอมอะก็คืออรหันตหมายถึงพรพุทธเจ้านะครับอรหังสัมมาเนะคืออะอุคืออุตมมะสังอุอดอมะธรรมะคือธรรมะฉันเลิศ อุดมอุดมธรรมนะครับมะก็คือมหาสังคิกะมหาสังโฆนะครับคือกลุ่มบางสงฆ์นื้อเมื่อเปล่งคำว่าโอมนี่เราก็มังส่งใจเข้าไปในพระรันตจัยโดยใช้สัญลักษณ์เข้าใจไหมครับบทสวดที่พระท่านสวดเวลาไปทําวัดสวดมนต์หรือไปฉันตามบ้านก็มีเนีอาอุมานะครับ โอมนมโมสามจบก็เรียกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เรียกนมโมสามจบมาหลังให้ให้พระสวยได้ฟังเพราะมากครับมันมีความหมายลึกลึกซึ้งเสียเราสามารถเอามนเหล่านั้นนะครับมาเพื่อเพื่อเพื่อการภาวนาได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องคิดถึงความหมายคือเอามาเป็นไวไวเบรชั่นหรือคลื่นที่ทําให้รู้สึกตัวได้เอาใหม่นะครับโอมแล้วก็ตอนจบ สมมติว่าต่างคนดังางเพลงแล้วไม่จบแล้วมันวโมงเลยนะดังนั้นต้องรู้กันนะครับโดยผมไม่จะไม่บอกว่าเมื่อไหร่จะจบทุกคนควรจะรู้ได้ได้วยตัวเองว่ามันนานเกินไปแล้วเนะี่ยเกระจายไหครับกระจายได้ไหมัิฉะนั้นเดี๋ยวก็โอมออมจนห้าทุ่มมันยังโอมโออ ม, มันอยู่คือโอมเป็นเพียงบทเริ่มต้นและบทสรุปของมนุ์ทุกบทครับก็ตั้งต้นในโอม ภาษาสันสกฤตโอมแปลว่าขอนอบน้อมครับคือคําว่านโมนั่นเองจริงๆนะคือคำว่านโมนของเราครับนโมแปลว่าขอนอบน้อมแต่พวกฮินดูหรือพวกครามก็นิยมใช้คำว่าโอมของเรานิยมใช้คําว่านโ ม, มนครับนโ ม, มนเป็นสองขย่างครับมันเลยเปล่งยากแล้วโอมมันมัน คำเดียวเท่านั้นแล้วมันเหมือนง่ายเอาลองใหม่นะแล้วเดี๋ยวรู้กันนยทุกคนต้องสังวรนะครับว่าถึงเวลาที่จะเลิกก็คือพอใครคนใดคนหนึ่งลดเสียงหรืออะไรนี่ก็ค่อยเจ้าลงเข้าใจไหมครับเลิกสังเกตที่สุดเสียงใี่ดีนะครับเพราะว่าการเป่งเสียงโดยไม่สังเกตที่สุดเสียงไม่มีประโยชน์โอ oh. จริงที่สุดก็คือว่าเมื่อเปล่งสิงโอมจนเรารู้สึกว่ามันเข้าไปข้างในแล้วเราก็เงียบครับคือตอนที่เราเปล่งโอมโอมนั้นเราอาจะตามกระแสเสียงแต่ว่ามันรู้สึกเงียบสงัดขึ้นมาเราก็เลิกนี่แต่ละคนค่อยๆเลิกเลิกเลิกเลิกเลิ ก, เ, ล ก, เ, ลกเหมือนเราไม้หลายดุ้นมาพิงกันเนี้ยพลองลูกเสือพอลูกเสือคนหนึ่งมันหยิบไปหยิบไปห ย, ยิบไปมันก็หมดกระจายมั้ครับ ดังนั้นการเปล่งนโอมนี่แม้จะประสานเสียงก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็จริงครับแล้วมันเป็นสมาธิดีนะหม่อีกทีนะคือไม่จําเป็นต้องพร้อมกัน้พวกเราเดินเดินแถวเป็นเป็นมดติดนิสัยนี่นครับโอห์มพร้อมๆแล้วเงียบกับฟองกันโอห์มพร้อมๆอาจจะสามารถเปล่งนโอมสามลอนได้ครับจช่นโอ หรือลอนเดียวโอ้แต่ข้อสำคัญทั้งหมดก็คืออยู่ข้างในตัวเองอย่าไปเงี่ยหูฟังเพื่อนๆใ น, น, น, นเปลงเสียงโอไ้ไม่ะอย่าไปสนใจข้างนอกเข้าครับเรื่องโอม้มันเป็นเรื่องข้างในแล้วให้สังเกตความกระเทือนเมื่อเราเปล่งโอ้มันจะมีความกระเทือนเข้าไปตามหน้าตามตาตามในสมองเข้าใจไหมครับในสวงอกอะไรนี้มันจะ Amen. Oh. สิ้นสุดตรงด้วยกันเราเปล่งคําว่าโอ้เราท้องเปล่งจนกระทั้งสิ้นลมปลานนราณไหมเพราะที่สุดของลมเนี่ยสำคัญมากครับเพราะสิ้นสุดลมตรงนั้นคือความสงบตอนนี้ลองทดลองไม่หายใจดูนะครับ <S <S ไม่ใช่อันคือหยุดลมหายใจเนะี่ยเราจะรู้สึกตัวดีขึ้นเข้าใจไหมครับดังนั้น เจตนาของเปลงเสียงโอมนะี่คือให้เสียงและลมปราณนะจบสิ้นลงพร้อมกันดังนั้นคุณต้องเป่งจนหมดหมดลมเข้าใจไหมครับเช่นผมทําให้ดูนะครับหมายความว่าถ้าลมปราณเรายาวเสียงโอมจะยาวมากเลยเข้าใจไหมยาวจกนกระทั่งกล้องแม้เสียง น, น้อยก็ยังยังมีอยู่นะรเราจะเห็นอาการที่มันคลี่ไปคลี่ไปคลี่ไปจนไปถึงที่สุดของเสียงคือที่สุดของลม เข้าใจไหมครับนี่คือวิธีเปล่ง ท, ที่เป็นเรียกการภาวนา ทำได้นงี้มันจะเป็นสมาธิครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับลมแล้วลมขาดเริ่มมาแล้วลมขาดที่ใดที่ลมขาดนะครับตรงนั้นคือใจลมที่ภาษาไทยเ็าเรียกลมหายใจนะครับคือพลมหายก็ใจก็ปลากฏกันเดีหรือเรียกว่าลมให้ใจไมได้ครับลมปลานี่มันห้ใจพัลมขาดลมขาดปั๊บสภาวะหนึ่งที่ ที่ไม่ไม่มีภาษาจะพูดเนี่ยเราเราต้องการจะรู้สึกก็ไปถึงสภาวะซึ่งเหนือสมมติเข้าใจไหครับดังนั้นในวินาทีสุดท้ายที่เราจะสิ้นลมสาคัญมากๆเลยเพราะพอเราจะตายาพเนี่ยความคิดตรุงแต่งมันต้องจบสิ้นถ้าเรามีสติดีนะครับดังนั้นทุกคนจะเข้าถึงที่สุดทุกในวินาทีสุดท้ายเป็นอย่างน้อย แต่ว่าถ้าไม่เจริญสีเนี่ยมันมันตกใจครับพอใกล้ตายมันกลัวทีนี้มันปรุงแต่งใหญ่เป็นเชื่อเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดเวียนว่ายต่อไปหัถ้าเรามีสติเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเรื่อยๆพอพอถึงจุดหนึ่งความตายก็ปรากฏขึ้นนั่นคือสมองเริ่มสิ้นความคิด จวัดใจปรากฏเด่นขึ้นถามว่าผมรู้ได้อย่างไรครับใ น, นเมื่ อ, อยังไม่ได้ตายถ้าเราจเจริญสตรีมากๆนะเราจะใกล้าตายเข้าไปทุกทีครับแต่เป็นการตายซึ่งมีชีวิตอยู่ที่จริงทุกคืนใะนตอนเราก่อนเราเข้านอนนะครับเหมือนกับตายทุกอย่างกระบวนการเข้าใจไหมครับคือค่อยๆรับรู้โลกภาย น, นอกน้อยลงน้อยลงแล้วมันดับวับไป แต่มันไม่ตายครับมันยังเป็นอยู่แต่มันตายจากโลกของการแบ่งแยกโลกสมมติเข้าใจไหมลองใหม่ครับอีกทีครั้ ง, งสุดท้ายนะเปล่งให้สุดลมแล้วอย่าเล่นครับเล่นนี่มันมันลมมันกระเพื่อมพอลมกระเพื่อมเสียงเปลี่ยนเข้าใจไหมครับมันจะคุมอารมณ์ไม่อยู่เลย ค่อยๆทำให้อารมณ์ประสานมีเอกภาพแล้วก็ตื่นตาตื่นใจครับเอละเลิ ก, พ, กพักพักผ่อนเดี๋ยวจะได้ทำหน้าที่กันต่อไป หลักการในทุกๆหลักที่ใะทุกๆศาสนามักจะจงมันข้อหนึ่งครับคือการพยายามรวบรวมความรู้สึกเข้ามาที่หัวใจเพื่อที่รับทราบต่อสิ่งซึ่งตกปิดอยู่ ไม่ว่าศ า, าน ส, สนาที่มีพระเจ้าเป็นหลักหรือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าก็ตามเพราะโดยปกติธรรมนั้นมนุษย์เราจะมีจิตใจที่หวั่นไหวง่ายซัดสายฟุงซ่าน ติดยึดในอารมณ์ในนิมิตต่างๆในเรื่องราวต่างๆเปรียบเสมือ น, นน้ำซึ่งขุนด้วยตะกอนดังนั้นผู้ที่ยืนันฝั่งไม่สามารถที่มองเห็นก้อนกรวดหรือปลาหรืออะไรที่ซ่อนอยู่ที่ใต้น้ำได้ สำนักต่างๆได้เสนอกรรมวิธีของการทำสมาธิของการรวบรวมพลังเพื่อที่ให้ก่อเกิดผลดีที่สุดและเรียกสิ่งนั้นว่าสมาธิแท้ทีจริงนั้นสมาธิมีหลายชนิดมาก การเกิดขึ้นของสมาธิก็เกิดจากหลายๆกรหมวิทีแต่เนื้อหาก็คือความมีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่ว่าเราจะเรียนมาจากสำนักไหนแต่ในที่สุดเราต้องทำของเราเองจนได้ไม่ว่า ทฤษฎีใดดทั้งสิ้นครับในสุดเราก็ต้องละทิ้งกรรมวิธีทั้งหมดเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งสิ้นเพราะว่าเมื่อมันเป็นสมาธินั้นมันเป็นของมันเองแล้วมันเป็นออกมาที่ใจมันเป็นจากใจดังนั้นขยันลังเลนะครับในการที่จะออกหัวใจ ของตัวเองที่มันเป็นเดิมพันไม่ต้องกังวลถึงกรรมวิธีเลยเหมือนกับว่าเราเดินไปที่ริมฝั่งน้ำฝากนี้แล้วเราจะข้ามไปสู่ฝากโน้นถ้าเป็นคนคนบางเพศอาจจะเลือกท่าข้ามที่ตรงนี้ฝั่งมีคี้โคลนมากก็เดินเลยไปบางคนก็หาที่ ที่ใกล้ฝั่งน้อนกีนหาที่ที่มีหาดสวยๆหรือหาที่ตื้นหรือหาที่ลึกสุดแค้แต่อุปนิสัยของคนแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือลุยเข้าไปซึ่งซึ่งหน้าครับ้องฝันถึงเรือถึงสะพานนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่จะทำสมาธิี่ง่ายนิดเดียวครับตั้งกายตรงดำรงสติมันมารวบรวมความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าคุณไม่ทอดทิ้งความรู้สึกอันนี้นไม่ช้าไม่นานสมาธิจะเป็นไปเองแล้วคุณจะพบว่าเทคนิคต่างๆใช้ไม่ได้ทั้งนั้นใหม่ๆมอาจจะรู้สึกว่าขาดแคลนสมาธิบ่อยๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราติดยึดในอารมณ์ต่างๆเช่นในกามอารมณ์ในการเที่ยวเตะในการพูดคุยในการทำโน้นทนํานี้จุนจ้านอย่างโน้อนอย่างนี้ในสุดรู้สึกว่าทาสมาธิที่ทยากความรู้สึกที่ว่ายากนั้นเป็นปฏิภาคส่วนครับกับความนิสัยที่ชอบสารแนต่างๆ ชอบยุ่งเรื่องโน้นเรื่องนีน้นนมากเรื่องดังนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ยากแล้วจะพบด้วยตัวเองมเมื่ออนิสัยวุ่นวายจืนจ้านต่าง ๆ, ๆเสื่อมเสื่อมไปแล้วครับสมาธิก็เกิดเองเพราะแท้ที่จริงนั้นสมาธินั้นมีอยู่แล้วในคนทุกคน เพราะหัวใจของเรานะครับมันเป็นเพียงดวงเดียวใช่เราเป็นคนคนหนึ่งมีจิตใจอันหนึ่งมีร่างกายอันหนึ่งเพียงแต่เรามารู้จักใครคนนั้นถูกต้องตามที่เขาเป็นจริงๆนะครับลำดับที่เกิดสมาธินี่ครับ ที่ผมว่าลำดับที่เกิดสมาธิหมายความว่าเรามีการเข้าถึงใครผู้นั้นตามลำดับใครผู้นั้นนั้นไม่ใช่มนโนติเชื่อว่าผมจำได้คำว่ามนโนติหมายถึงองไรคือไม่ใช่ความคิดไม่ใช่จินตนาการว่าผมเป็น เนเป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่สม